นอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยเจริญพรได้ยินั้มวันนี้เป็นวันดีไหม <laughs> ดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่วันเนาะอยู่ที่การกระทําแต่เป็นโอกาสที่ใกล้เคียงกับวันสำคัญพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญใครรู้บ้างว่าเป็นวันอะไรวันมาคะบูชา ก็มีข่าวว่ามีสําาเรียกสํารวจใช่ไหมโพออกเสียงว่าไงสละโอพอพานลอลิงถ้าอ่านแบบไทยก็โพนสํารวจคนว่ารู้จักวันมาคบูชาเข้าใจแค่ไหนคนกว่าครึ่งไม่เข้าใจไม่รู้จักว่าเป็นวันอะไรสําคัญยังไงมันก็ น่าตื่นเต้นไหมเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะเป็นเมืองพุทธแต่ว่าไม่ค่อยได้เรียนไม่ค่อยได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่มีค่าที่บรรพบุรุษ ร, รักษาเอาไว้คือคาสอนในพระพุทธศาสนาเราไปสนใจในเรื่องอื่นข้างนอกกันหมดลืมรักษาสิ่งที่มีค่าที่บรรพบุรุษอุตส่ารักษามา น่าน่าตกใจน่าตกใจแต่ในที่นี้คงจะรู้รู้ไหม <laughs> ใครไม่รู้บ้างวันมาคบูชาสำคัญยังไงจะมีวันสำคัญทางพุทธศาสนาในปีปฏิทินเนี่ยนะก็จะมีหลักๆอยู่สามสี่วันถ้านับตั้งแต่ปีใหม่ตามตามสากล ตามสากลสากลก็เริ่มปีใหม่กันเดือนมกราใช่ไหมวันนี้ก็จะเป็นวันสําคัญวันแรกทางพุทธศาสนาไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันสําคัญวันแรกก็เรียกว่าวันมาฆบูชามาฆบูชาคือบูชาในเดือนมาฆไม่ใช่บูชาคนชื่อมาฆมาฆนี่เป็นชื่อเดือนเดือนหนึ่งถ้าเทียบกับการนับแบบไทยก็คือเดือนสาม แต่ทางอินเดียก็ไม่เรียกเป็นเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสมก็เรียกเป็นชื่อมาคะก็เป็นเดือนหนึ่งวิสาขะก็เดือนหนึ่งอาสาละหะอีกเดือนหนึ่งเป็นชื่อเดือนนับทางจันทรคติมาคะบูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สําคัญถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้ก็ไม่สําคัญมันไม่ได้สําคัญที่วันมันสําคัญที่เหตุการณ์ เหตุการณ์คือว่าหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้เดือนไหนวิสาขะเดือนหกตรัสรู้แล้วก็ไปแสดงธรรมก็เรียกว่าปฐ ม, มเทศนาเดือนไหนอาสาละหะแสดงธรรมปุ๊บก็เข้าพรรษาปับ๊บ <laughs> จากวันเดือนหก มาแสดงธรรมเข้าพรรษาอีกสามเดือนเข้าสู่ออกพรรษาออกพรรษาแล้วอีกสามเดือนอจนถึงเดือนสามเนี่ยรวมแล้วเก้าเดือนมีสาวกหลายพันละ ว, วันมาคะเนี่ยนะวันมาคะเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันต่อเนื่องมาจากว่าหลังจากที่ พระพุทธเจ้าพอออกพรรษาแล้วไปโปรดเจดินทสามพี่น้องโปรดเจดินทสามพี่น้องเสร็จแล้วก็ไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่นอกเมืองลำดับตามทันไหมตามทันนะเอาย่อๆนะันไม่งั้นเดี๋ยววันนี้ไม่จบ <laughs> พระเจ้าพิมพิสารก็เกิดศรัทธาก็ถวายวัดถวายวัดวัดนั้นชื่อวัดเวรุวันเป็นวัดป่าไผ่สวนไผ่อยู่นอกเมืองอีกด้านหนึ่ง แล้วข่าวเล่าลือต่างๆหรือาการกระจายธรรมะไปเนี่ยท่านก็กล่าวถึงว่าพระอัศชิก็ไปบิณฑบาตผ่านไปเจอไปพบกับอะไรอะชื่ออะไรอะอะไรนะอุปติสสะอุปติสสะนี่คือตอนบวชแล้วก็จะเป็นพระสารีบุตรอุปติสสะไปพบเข้าก็ สรุปแล้วก็รู้ธทรรมเอาขาวมาบอกเพื่อนคือชื่อโกริตะก็พากันมาบวชพร้อมด้วยบริวารอีก250นี่ตัวเลขกลมๆ ก, นะก็วันมาบวชเนี่ยวันมาบวชบริวารทั้งหลาย250เนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนโกริตะกับอุปติสะเนี่ยยังไม่บรรลุ ยังไม่บรรลุเพิ่มขึ้นไม่ไม่ไม่มีการพัฒนาขั้นยังเป็นแค่โสดาบันตอต่อจากนั้นอีกเจดวันโกริตะซึ่งพอบทแล้วเนี่ยพระทั้งหลายก็จะเรียกชื่อใหม่ว่าพระโมคคัลลานะนั่งโงกง่วงอยู่พระพุทธเจ้ามาแสดงอุบายแก้ง่วงแล้วก็วิธีทำให้ตัณหาหายไปเรียกว่าตันหักขยะทำให้ตัณหาหายไป ท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์วันที่7หลังจากที่บวชหลังจากนั้นหลังจากบวชเนี่ยวันที่พบพระเจ้าพาบริวารไปบวชบริวารสำเร็จพระอรหันต์แล้วเจวันพระโมคคลาสาเร็จพาาระอรหันต์แล้ว15วันหลานของภาษารีบุตรทีคณขะก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมนั้นพกความขุ่นใจมาด้วย คือไม่พอใจพระพุทธเจ้าที่นำเอาญาติของท่านเนี่ยมาบวชเพราะท่านเนี่ยเป็นเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังของครอบครัวว่าจะมาสืบทอดตระกูล ส, สืบทอดกิจการเอาคนที่เป็นความหวังมาบวชซะแล้วไม่ชอบใจก็มาเล่นสำนวนกับพระพุทธเจ้าว่าทั้งหมดทั้งโปแน่นโลกเนี่ย ไม่มีอะไรน่าพอใจเลยทุกอย่างไม่เป็นที่พอใจของข้าพระเจ้าเลยนี่พูดอย่างเพราะๆแล้วนะก <g iggle> ็คือรวมทางพระพุทธเจ้าด้วยแต่เขาก็เป็นคนมีตระกูล <g iggle> ก็พูด อ, อ้อมๆนิดหนึ่งว่าทั้งหมดทั้งปรงที่ <g iggle> ที่เห็นเนี่ยก็คือรวมพระพุทธเจ้าด้วยไม่น่าพอใจเลยพระพุทธเจ้าก็ย้อนเลยว่าไอ้ความคิดนั้นก็ไม่น่าพอใจด้วย <g mail> ก็เลยสะดุดขึ้นมาว่าชักอยากจะฟังอยากจะฟังคําสอนพุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็สอนเรื่องกับเวทนาแล้วทีคณะขะก็ได้เป็นโสดาบันพระสารทีบุตรฟังอยู่ด้วยก็ได้เป็นพระอรหันต์คือเจริญเวทนานุปัสนาในตอนนั้นก็ได้เป็นพระอรหันต์สิหวันหลังจากบวชถ้าเทียบแล้วสมมติวันนี้เป็นวันที่14 พรุ่งนี้จะเป็นวันที่สิ้าที่ท่านบวชย้อนไปจากนี้สองสัปดาห์คือเป็นวันที่ท่านบวช<ม>ก็คือประมาณตุตจีนใช่ไหมประมาณเนาะก็คือวันพระใหญ่คราวที่แล้วท่านบวชแล้วจะมาสำเร็จอราหาันในวันพรุ่งนี้ที่เขาคิจกูถ้าสุกละขาตาถ้าหมูขุดพอสำเร็จปุ๊บท่านก็ลงไปวัดเวรุวัน ไปปุ๊บก็พระทั้งหลายที่เป็นพระอาหารหันต์ที่มีอภิญญาหกที่พระพุทธเจ้าบวชให้ตอนนั้นก็ไม่มีใครบวชให้หรอกมีแต่พระพุทธเจ้าบวชให้นั่นแหละเป็นเอหิพิกขุรวมกันที่วัดเวรุวันโดยไม่ได้นัดกันใช้คํานี้นะโดยไม่ได้นัดกันพอบอกว่าโดยไม่ได้นัดหมายเดี๋ยวจะหาว่าหลวงพี่หมายไม่มาด้วย <laughs> มีเล่นสนนวนกันนะี่นในหมู่คนไทย โดยไม่ได้นัดกันไปประชุมกันท่านก็เอาเหตุที่มันมีมีเหตุการณ์พิเศ ษ, ษตรงนั้นว่าเมื่อมีพระเป็นพระอรหันต์ด้วยทรงอภิญญาด้วยเป็นพระที่พระองค์บวชให้เองด้วยเป็นวันมาฆาเลิกคือพระจันรเต็มดวงมาประชุมพร้อมกันท่านบอกตัวเลขว่าหนึ่รูปท่านก็แสดง ปาติโมกปาติโมกเนี่ยเป็นปาติโมกที่เรียกว่าเป็นโอวาถปาติโมกเป็นปาติโมกที่เป็นโอวาดแสดงว่ามันมีปาติโมกอีกแบบหนึ่งถ้าใครเคยบวชก็จะรู้ว่าที่พระเวลาลงอุโบสถเนี่ยท่านมาสวดปาติโมกเคยได้ยินไหมสวดปาติโมกก็คือสวดศีลสองรยยีข้ออันนั้นเรียกว่าอาณาปาติโมก เป็นบทบัญญัติที่มีเหมือนเป็นกฎหมายอะอาณาอาณาปาติโมกคือถ้าทำผิดมีโทษแต่อันนี้เป็นเพียงโอวาตโอวาทปาติโมกซึ่งก็มีเป็นคาถาอยู่สามคาถาครึ่งใครจำได้บ้างจำได้เหรอมีอะไรบ้างขึ้นต้นว่าอะไรสัพพะปะปะสะกรรณงกุสลัสูปะสัมปทา สัจิตประโยทาปนังเอตังพุทธานาสาสนังเคยได้ยินไหมใครไม่เคยได้ยินบ้างไม่เคยได้ยินเหร อ, อแล้วมีอีกสองบทบทเนี้ยบทที่เขาเรียกว่าอะไรปอบโปล่าที่สุดละในบรรดาสามบทเนี้ยนะถ้าบทนี้ยังไม่ได้ยินอีกสองบทไม่น่าได้ยินละอีกสองบทเนี่ยจะขึ้นได้ว่า ขันตีปรมังตโปตีติขาเคยได้ยินไหมขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเป็นตบะอย่างยิ่ง mm hmm. นิพพานังปรามังวทันติพุท ธ, ธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยกล่าวว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นบรมธรรมหรือธรรมอันยิ่ง mm hmm. แล้วก็กล่าวถึงว่าบรรปะชิตหรือสมณะเนี่ยจะไม่เบียดเบียน นะิปะปะชิตโตปา ร, รูปรคาตีสมโนโหติป ร, รังวิเหทยันโตแล้วก็กล่าวถึงลักษณะของพระคือตอนนั้นเป็นที่ชุมนุมของพระท่านก็พูดถึงพระพระที่จะไปเผยแพร่เผยแผ่พระศาสนาต่อไปเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรกคไรไร็คือไม่พูดร้ายาไม่ทำร้ายอนุปวาโทคือไม่พูดร้ายอนุปคาโตไม่ทาร้ายแล้วก็ มีการสำรวมในปฏิโมกข์คือสำรวมในคำสอนในบทหลักแล้วก็มัตตัญญุตาจะพัตตส밍ก็คือรู้ประมาณในการบริโภคเดี๋ยวจะมาพูดถึงรายละเอียดที่น่าสนใจแต่ละข้อแต่ละข้อปันตันจะสยนาสนางังเลือกที่นั่งที่นอนที่สงัดนั่งที่นอนรู้จักเสบเสนาสนะอันสงัด อธิจิตเตจะอายโยโคมานั่งสงัดแล้วไม่ใช่มานั่งหลับต้องหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งอธิจิตนะอธิจิตคือจิตอันยิ่งอายโยโคคือการประกอบการหมั่นประกอบประกอบอะไรประกอ บ, อรรกอบเรื่องของจิตให้ยิ่งศึกษาเรื่องของจิตนั่นเองนะอันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่องน์นี้องเดียวแต่ทุกองสอนอย่างนี้ พระเจ้าไม่ได้มีไม่ใช่เพิ่งมีมีมาแล้วนับองค์ไม่ท้วนเวลาโยมทำบุญที่บ้านเวลาพระมาสวดมนต์มามาเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยนะจะมีบทหนึ่งบทสามพุทธเทขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าเป็นล้านล้านองค์ตามตามตามคำบาลีเนี่ยนะสวดสามบทแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยจะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเป็นแสนแล้วก็เป็นล้านเป็นล้าน รวมแล้วหลายล้านองค์คือจริงๆแล้วก็คือนับไม่ถ้วนมีพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วนับไม่ถ้วนนะและบรรดา น, นับไม่ถ้วนนั้นสอนอย่างนี้สอนเหมือนกันบอกว่านิพพานเป็นบรมธรรมนะแล้วบรรดานักเผยแผ่ทั้งหลายไม่ควรพูดร้ายไม่ควรทําร้ายนะควรมีความสํารวมในข้อปฏิบัติเรียกข้อหลักที่เรียกว่าปาติโมกไม่ควรบริโภคมาก อะไรก็เรียกอะไรโภชเนมัตตัญญาตหรือมัตตัญญาตจะพัตตะสมิงเอาเอาชุดแรกก่อนบทแรกที่ที่โยมพูดถึงว่าสัพปปาปัสสะกรรณะนั่นนะบางพระสูตรก็จะมีการสลับการสลับบางสูตรเนี่ยก็จะเอาขันตีประมังตโปติติขาเนขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยสัพภาปาปัสสะกรรณง บางพระสูตรก็จะเอาสัพพปาปัสสะกระนังขึ้นก่อนก็ไม่ผิดอะไรเพียงแต่สลับสลับตำแหน่งกันจะเอาเรื่องอะไรก่อนเอาขันติก่อนหรือจะเอาสัพพปาปัสสะก่อนลองเอาขันติก่อนก็นแล้วกันนะขันตีประมังตะโปตีติขาขันติคือความอดกลั้นนี่คำแปลนะขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งขันติ ขันติเนี่ยมีหลายขันติขันติที่ว่าแปลว่าความอดทนเนี่ยท่านมาแปลมันมาขยายอีกว่าคือความอดกลั่นอดกลั่นเนี่มาจากภาษาบาลีที่เรียกว่าตีติดขาขันตีปรมังตะโปตีติดขาขันตีคือขันติปรมังคืออย่างยิ่งตะโปคือตะบะตีติดขาคืออดกลั่นนี่คำศัพท์นะ ขันตีปรามังตะโปตีติขาตีติขาคือความอดกลั้นเป็นขันติที่เป็นตบะอย่างยิ่งที่ท่านแสดงให้เห็นว่าเป็นความแตกต่างคือสมัยนั้นเนี่ยพระองค์พึ่งตัดสรู้มา9้าเดือนเท่านั้นเองในสภาพแวดล้อมของอินเดียสมัยนั้นน่ะมันมีตบะหลายตบะบำเพ็ญตบะด้วยการทรมานตนเป็นส่วนใหญ่เช่น ไปยืนแก้ผ้าที่น้ำแข็งที่หิมะเลย น, นะหรือก่อกองไฟซะให้รอบเลยแล้วก็นั่งล้อมให้กองไฟนั่ล้อมร อ, อบตัวเองบางคนก็ชูกำปั้นแล้วก็สมาทานว่าจะไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่เอามือในลดลงถึงแม้เล็บจะยาวแทงมือไปแล้วมันเล็บนี่จะยาวไปเรื่อยๆนะแทงเนื้อแทงมือไปเลยนะก็ไม่คลายมือคลายไม่ได้เส้นมันยึดแล้ว ถึงอยากคลายก็คลายไม่ได้แล้วเส้นยึดเคยไหมเคยไปเยี่ยมคนป่วยที่ที่ผ่าตัดไหถ้าไม่ทํากายภาพนั้นเส้นยึดนี่เหมือนกันนะสมาทานอยู่เจ็ดวันเนาคลายไม่ออกละทําไม่คลายนะมันก็จะยึดอยู่งั้นแล้วก็เล็บจะแทงไปเรื่อยๆ เ, เขามีตะบะในการทรมานตนเองแต่ละคนก็อวดอ้างสรรพคุณของตะบะตัวเองว่าเป็นเลิศแต่พระเจ้าบอกว่าในบรรดาคําสอนของพระเจ้านั้นไม่ได้ยกย่องตะบะแบบนั้น ท่านยกย่องตะบะที่เป็นตีติดขาขันติขันติคือความอดกลั้นบอกว่าอดกลั้นนี่ก็ยังงงว่าอดกลั้นแบบไหนก็ต้องอธิบายว่าขันติที่ว่ามันมีตีติดขาขันติเนี่ยมันต่างจากขันติอย่างอื่นยังไงขันติแบบทั่วๆ่วไปคืออดทนต่อสภาพความลำบากทางกาย ธรรมดาเช่นทำงานเหนื่อยอดทนเหนื่อยยศเงี้ยนะเป็นคนอดทนเป็นอดทนที่เป็นคุณธรรมเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตีติดขาขันติเป็นการอดทนอีกแบบหนึง่งอดทนต่อความยากลำบาก อ, อ, ดด อ, อ, บดดอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดอดทนต่อการทำงานตรากตำตากแดดตากฝนเงนี้ยนะนี่ก็เป็นคุณธรรมแต่ยังไม่ถึงขั้นตะบะ อดทนอย่างนี้ก็ดูงดงามเป็นความงดงามของผู้ที่มีขันติอันนั้นท่านจะมีทม อ, อีกชุดหนึ่งเรียกว่าทำอันทาให้งามขันติกับโสระจจะเคยได้ยินไหมใครเคยเรียนธรรมศึกษาก็จะผ่านจะมีทำมหมวดสองขันติโสระจจะโสระจจะไปว่าความสงี่มความสงิ่ม สงี่ยมดูงดงามขันติตัวนี้ก็ดูงดงามคือแดดจะร้อนสักหน่อยฝนจะตกสักนิดก็ไม่กระโตะกระตกักไม่ไม่มีปฏิกิริยามากทนได้ทนต่อความเหน็ดเหนื่อยทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆทนได้อย่างนี้เรียกว่าทาให้คนนั้นงดงามงดงามในภาษาไทยก็แปลยากเหมือนกันนะบางทีก็จะกลายเป็นว่าไม่งาม ความงามถูกงดไปแล้วเอาเปว่าทำให้งามก็แล้วกันทำให้งามมีความอดทนอีกระดับหนึ่งเรียกว่าทนต่อทุกขเมตนาทางกายตรงนี้มีศัพท์เรียกว่าอธิวาสนะขันติเคยได้ยินไหมอธิวาสนะขันติเช่นว่าตอนที่พระเจ้าจะประินิตพานท่านอาพาธด้วยโรค อะไรอ่ะถ่ายเป็นเลือดท่านก็อดทนด้วยอธิวาสนาขันติคือเป็นการอดทนตรงนี้เป็นการระบุว่าความอดทนต่อทุกเวทนาทางกายเนี่ยท่านเรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่าอธิวาสนาขันติ <Yeah. S 1> เราเวลาเราเจ็บป่วยหรือเวลาเข้าโรงพยาบาลถ้าเราเจ็บป่วยเจ็บปวดแล้วเรามีความอดทนด้วยอธิวาสนาขันติเนี่ยจะเป็นผู้ที่ รักษาง่ายพยาบาลง่ายนางพยาบาลก็อยากจะมาดูแลเพราะไม่โวยวายหมอก็ชอบที่จะมาดูแลเพราะว่ารักษาง่ายพูดจากันง่ายทําให้ตัวเองไม่ป่วยทางจิตและทําให้คนรอบข้างไม่ป่วยทางจิตไปด้วยแล้วก็เรียกว่าอะไ ร, เ ป, รเป็นที่น่ารักเป็นที่น่ารักใครๆมาเห็นก็อยากจะมาอยู่ใกล้ ท, ทั้งที่ป่วยนั่นแหละ มีโยมอยู่คนหนึ่งบน่นบ่นว่าไม่มีใครดูแลเลยแล้วก็บ่นว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นลูกทรพีเป็นลูกอากรัรยูใครมาก็จะประกาศความอากรัรยูของลูกตัวเองข่าวก็ไปถึงเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนแกในะคนนี้ก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมเลยก็รู้เลยว่า ทำไมจึงไม่มีคนมาเยี่ยมแม้กระทั่งลูกตัวเองเพราะว่าไปทีไรแกก็ด่าคนอื่นให้ฟังทุกทีไม่ทนไม่ทนต่อความเจ็บปวดตัวเองแล้วก็ปากก็จะพูดถึงเรื่องร้ายๆของคนอื่นอยู่เสมอในขณะที่พูดร้ายๆนั้นมันมาจากความคิดคือจิตที่ไม่ดีเป็นอกุศลมันก็แผ่รังสีอมต ah ออกมาใช่คนใจดีมันก็จะมี หลังสีแบบหนึ่งที่เย็นเย็นสบายสบายคนใจร้ายใจร้อนมันก็จะมีหลังสีอีกแบบหนึ่งที่คนเข้าไปใกล้ก็อยากจะหนีอยากจะกลับขอตัวนะผมมีธุระต้องไปที่อื่นแล้วเขาก็จะประสบเหตุอย่างนี้ถ้ายังไม่เปลี่ยนใจตัวเองนะเข้าใจเลยมาเทียบกับอีกคนหนึ่งเทียบอีกคนหนึ่งใครไปก็ชมไม่ได้ชมคนที่มาเยี่ยมนะ ชมลูกตัวเองชมลูกตัวเองว่าลูกน่ดีชมลูกตัวเองและชมลูกเขยด้วยอุตส่าห์ปล่อยให้ลูกปล่อยให้เมียตัวเองมาดูแลแม่เราเนี่ยนะปล่อยเข้าไปให้ไปอยู่กับสามีแล้วเนี่ยเป็นสิทธิ์ของสามีแล้วสามียังอุตส่าห์ปล่อยเมียตัวเองมาดูแลเราชมชมทั้งลูกว่าเออลูกเนี่ยกรตันอยู่ชมทั้งลูกเขย ชมทั้งคนที่มาเยี่ยมอุษาหแหมอุสมาสละเวลามาเยี่ยมเราพูดด้วยจิตที่เป็นกุศลคนฟังก็เย็ยนใจมาแล้วอยากมาอีกเพราะติดใจในความเย็ยนของผู้ป่วยโยเวลาป่วยก็เลือกเอา <c oughs> จะเป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็ยน <c oughs> จะเป็นน้าร้อนน้าเย็ยนมันเหมือนกับน้ำร้อนกับน้ำเย็ยนจริงๆ <c oughs> น้ำร้อนเนี่ยถ้าร้อนจริงๆเนี่ยนะ เราจะเห็นเลยไอมันจะออกไปแล้วไม่มีไอน้ำเกาะขอบแก้วเลยสังเกตัหยน้ำในแก้วนั้นก็ระเหยออกไปอย่างรวดเร็วกว่าปกติแต่ถ้าเป็นน้ำเย็นน้ำเย็นเคยเห็นใช่หมน้าใส่น้ำแข็งน้ำจะเย็นน้ำก็ไม่ค่อยระเหยแถมยังมีไอน้ำมาเกาะด้วยมันเป็นจุดรวมของน้ำเพราะมันเย็นถ้าโยมไม่อยากอยู่โดดเดียว อย่าทําใจตัวเองให้ร้อนมันจะร้อนด้วยอกุศลทั้งหลายด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะและร้อนมากๆคือด้วยโทสะที่มันร้อนเห็นชัดทุกครั้งที่คิดถึงอะไรที่เป็นอกุศลให้รู้ทันได้พูดถึงเรื่องอะไรธรรมาถึงตรงนี้ขันติอดทนได้ต่อสภาพแวดล้อมอดทนได้ต่อความเจ็บป่วยทุกขเวทนาทางกาย สระดับเลยนะขันติสองระดับนะทนต่อลมแดดลมฝนทนต่อความลําบากตรากตรําในการงานที่ทํางานทําแล้วป่วยอดทนได้ต่อความเจ็บป่วยในร่างกายเรียกว่าอธิวาสนาขันติขันติที่เป็นตะบะเป็นขันติที่เรียกว่าความอดกลั้นอดกลั้นตรงนี้เนี่ยอาตมาไม่แน่ใจว่าจะแปลได้คําดีหรือม โดยความหมายแล้วก็คือว่าทนได้ต่ออารมณ์ที่มากระทบเวลาเราอยู่ในสังคมอยู่คนเดียวก็มีอารมณ์มากระทบอยู่กับสังคมก็มีอารมณ์ที่มากระทบทางตาทางหูคือเป็นรูปคนอื่นเป็นเสียงคนอื่นมากระทบที่น่าพอใจก็มีที่ไม่น่าพอใจก็มีคนที่ทนไม่ได้เวลาเจอสิ่งที่น่าพอใจก็ไหลตามคนที่ ทนไม่ได้เวลาเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ไปมีโทสะกับสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าไม่มีขันติประเภทที่เรียกว่าตีติขาขันติถ้าทนได้ด้วยวิธีที่เรียกว่าทนต่ออารมณ์ที่มายั่วให้เกิดกิเลส ต, ต่างๆเนี่ยทนได้ไม่เกิดกิเลสอย่างนี้เรียกว่ามีอมีขันติที่เรียกว่าตีติขาขันติเป็นตะบะอย่างยิ่ง เป็นตบะในพุทธศาสนาตบะในพุทธศาสนาไม่ใช่ไปทรมานร่างกายไม่ใช่ไปแก้ผ้าโชไม่ใช่ไปตากแดดตากฝนแบบนั้นแต่เป็นการทนได้ต่อสิ่งที่มากระทบแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาในทางบวกหรือทางลบเข้าใจไหมเขาด่ามาทนได้เขาพูดมากทนได้ ทนได้ทั้งในฝ่ายลบและฝ่ายบวกอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็ทนได้อารมณ์ที่น่าพอใจก็ทนได้ต้องทนด้วยนะเช่นเคยเล่านิทานที่ว่ามีโยมคนหนึ่งมาหาพระมาหาพระบอกว่าลุงพ่อช่วยทีช่วยอะไรคือคุณยายเนี่ยซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่หนึ่ง หนูตรวจให้แต่ละคุณยายยังไม่รู้ช่วยเตือนสติคุณยายทีแกเป็นโรคหัวใจเกรงว่าถ้ารู้ว่าถูกระวันที่หนึ่งแล้วแกจะหัวใจวายจะตายหลวงพ่อช่วยเตือนทีนี่เห็นไหมถ้าไม่ทนแม้แต่สิ่งที่ดีก็จะทำร้ายตัวเองได้นี่อนนี้หลานหลานก็รู้ว่าถ้าได้สิ่งที่ดีแล้วแบบ มันรุนแรงเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําร้ายคนที่ได้ก็มาฝากพระให้เตือนอ้าไปตามยายมาโยมโลกเนี่ยนะมันมีทั้งโลกธรรมแปดมีทั้งฝ่ายน่าพอใจและไม่น่าพอใจโยมต้องทนให้ได้ทั้งฝ่ายน่าพอใจและไม่น่าพอใจนะเจ้าข่า <c oughs> คุณยายบอกเจ้าข่าเวลาไม่น่าพอใจโทนได้ไหมเวลาหลานๆก็ทําอะไรไม่ดีทนได้ไหมทนได้เจ้าข่า ถ้าได้ดีๆล่ะทนได้ไหมได้เจ้าค่ะสมมุตินะสมมุติพระก็ค่อยๆต่อลอมนะสมมุตินะสมมุติสมมุติว่าโยมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะโยมจะรู้สึกยังไงก็ดีใจเจ้าค่ะและจะทำยังไงกับรางวัลนั้นถวายพระเลยเจ้าค่ะและถ้าเป็นเรื่องจริงล่ะก็ถวายจริงๆอ่ะค่ะตกลงพระหัวใจวาย คือมุ่งสอนคนอื่นไม่ได้สอนตัวเองนี่เป็นนิทานโยมเคยซื้อหวยไหมถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะทำยังไงถาไวายองค์ไหน<笑><笑><笑>ก็ต้องทำใจได้ทั้งในฝ่ายที่ว่าเวลากระทบสิ่งที่ไม่น่าพอใจและน่าพอใจเวลาเราระวังตัวเนี่ยนะเรามักจะระวังในสิ่งที่ไม่น่าพอใจ ลืมระวังสิ่งที่น่าพอใจ mm hmm. เวลาคนทําดีกับเราแล้วก็เผลอติดใจในสิ่งที่เขาทําดีด้วย mm hmm. ก็เลยมีปัญหาครอบครัวอย่างเงี้ยบางที mm hmm. ไปติดใจการทําดีของคนคนหนึ่งลืมคนที่ทําดีเป็นประจําอยู่ที่บ้าน mm hmm. จริงๆแล้วที่เขาทําดีเป็นพิเศษนั่นนหะเขาเพิ่งทําดีเมื่อกี้นี่เองแต่เราลืมความดีที่เขาทําอยู่ประจําอยู่ที่บ้าน mm hmm. ก็ทําให้ เราไปไม่ทนต่อความดีอันฉาบฉวยอันนี้ก็ต้องมีขันติเรียกว่าตีติดขาขันติจำได้ไหมขันติมีสามขั้นนะสมขั้นขันติคือความอดทนต่อการตรากตาความลำบากทางกายยังไม่ป่วยนะแต่ทำงานด้วยความอดทนถ้าทำได้ตอนนี้รู้สึกว่าคนยุคใหม่มีการถูกบน่นจากนายจ้างว่า ไม่อดทนคือมันเนี่ยไม่มีขันติระดับแรกแล้วก็ขันติระดับนี้ไม่มีขันติระดับที่ว่าป่วยแล้วก็จะไม่ทนด้วยเพราะขนาดขันติระดับแรกยังไม่มีเลยขันติที่เรียกว่าอดทนต่อความเจ็บป่วยทางร่างกายก็จะมียากแล้วอย่าว่าถึงเลยว่าอดทนต่อสิ่งที่มากระทบอันนี้เรียกว่าเป็นลำดับลำดับขั้นๆไปสิ่งที่ท่านยกย่องว่าเป็นตบะเป็นตัวสุดท้ายตีติดขาขันติ อดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบนิพพานเป็นบรมธรรมนี่เป็นส่วนที่ท่านแจกแจงแยกแย ก, แยกมาว่าความแตกต่างของพุทธศาสนาคือคำสอนของพระองค์กับคำสอนเดิมๆศาสนาเดิมๆศาสนาเดิมๆจะบอกว่าต้องไปรวมกับพระพรมไปรวมกับ เป็นปรมาตามันอะไรเนี่ยนะอาตมาก็ไม่ค่อยรู้ว่าเขาจะไปรวมกันยังไงแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยถือว่านิพพานนิพพานเป็นจุดหมายสูงสุดเป็นบรมธรรมเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติไม่ได้เป้าหมายเพื่อจะไปเป็นเทพใหญ่ๆการเป็นเทพใหญ่ๆองค์ใดองค์หนึ่งท่านบอกว่าเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นกิเลสตัวหนึ่งด้วยซ้าไปเคยได้ยินมเมทุนธรรม เป็นเมถุนอย่างหนึ่งปฏิบัติธรรมเพื่อไปเป็นเทพพยายดาองค์ใดองค์หนึ่งเนะี่ยถือเป็นเมถุนธรรมที่เป็นเป็นกิเลสตัวหนึ่งเห็นชาวบ้านเขาอุ้มลูกนะพระเห็นชาวบ้านเขาอุ้มลูกเนะี่ยและดีใจยินดีกับที่เขามีลูกนี่ก็เป็นเมถุนธรรมอันหนึ่งแปลกไหมมันเป็นกิเลสขั้นละเอียดนะพอใจที่เขามีมีครอบครัว พอใจที่เขามีลูกเห็นผู้หญิงเดินเดินผ่านมาพอใจนี่ก็เป็นกิเลสตัวหนึง่งยังไม่ได้พูดคุยกันเลยนะเห็นผู้หญิงเดินมามีความพอใจนี่เป็นกิเลสเรียกว่าเมถุนธรรมอีกตัวหนึง่งปฏิบัติธรรมเพื่ออยากเห็นสาวสว ย, สวยมาวัดอย่างนี้ก็เป็นเมตุนธรรมอันหนึง่งเอาถึงขั้นที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปเป็นเทวดาหรือเป็นพระพรหมท่านก็ยังตําหนิเลยว่านี่ก็ยังเป็นเมถุนธรรมอีกแบบหนึง่ง ปฏิบัติแล้วยังวนเกิดวนตายอยู่ในภพ mm hmm. เป็นเมถุนิธรรมเพราะว่าพอไปเกิดเป็นแม้จะเป็นพระพรหมแล้วมันก็จะเสื่อมเสื่อมแล้วก็จะต้องมาเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างก็ต้องมาหาคู่อีกเลย mm hmm. เรียกว่าจุดหมายในการปฏิบัติไม่ใช่แค่ว่าไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมแต่เพื่อความดับหรือความเย็นความเย็นที่ว่า เป็นคำแปลของนิพานนะนิพานนะแปลว่าเย็นท่านเอาคำที่มันมีอยู่แล้วนะ่แหละมาใช้เรียกสภาวะอันนี้เป็นคำที่มีอยู่เดิมที่เขาใช้กันอยู่เดิมเวลามีหม้อข้าวร้อนๆหม้อข้าวนี้เย็นแล้วก็เรียกว่าหม้อนี้นิพานไม่ใช่หม้อนี้เข้านิพานนะไม่ใช่มีมรรคผลในในหม้อนั้นนะแต่ว่าหม้อนั้นเย็นท่านก็เรียกสภาวะที่จิตที่มันเย็น ด้วยการที่ไม่มีกิเลสเนี่ยเรียกว่านิพพานดับนิพพานดับกิเลสไปแล้วยังมีเรื่องที่ว่าพระนางกีสาโคตมีเคยได้ยินชื่อไหมพระนางกีสาโคตมีเนี่ยเป็นเจ้าหญิงในสากยาวงศ์วันหนึ่งท่านเห็นเจ้าชายสิทธัตถะตอนนั้นท่านยังไม่บวชนะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเดินผ่านมาท่านก็ชมชมเจ้าชายสิทธัตถะชมออกปากเลยออกเสียงด้วย บุรุษผู้นี้เนี่ยใครเป็นแม่ก็เย็นใจใช้ควานนิพพานเย็นใจตรงนี้ใชคําว่านิพพานใครเป็นพ่อของชายคนนี้ก็จะเย็นใจใครเป็นภรรยาของคนนี้ก็จะเย็นใจคือเห็นแล้วอดไม่ได้ขอชมออกมากล่าวเป็นคาถาเป็นภาษาบาลีความเย็นที่ละว่านิพพานที่พระนางกีสาโคตมีกล่าวคาถานั้นแหะกล่าวแบบทั่วๆวไปคือความเย็นใจเห็นแล้วเย็นใจ คือไม่มีโทษอะไรเลยที่ที่จะมาห่วงกังวลมีเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีเป็นสามีก็เป็นสามีที่ดีน่าชื่นชมน่านาดีใจใครเป็นแม่ใครเป็นพ่อใครเป็นภรรยาก็จะเย็นใจแต่พระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระเจ้าชาติสทถาเนี่ยได้ยินคำว่านิพพานในใจนึกอีกแบบนึ่งมันต้องเย็นคือแบบสงบกิเลสแต่ รู้แหละ ว, ว่าเจ้าหญิงองค์นี้พูดหมายถึงยังไงแต่คำพูดนั้นมันส่งให้กระตุน้นกระตุ้นสำนึกในใ น, ในใจของท่านว่าเราต้องหาทางดับกิเลสให้ได้ก็เลยให้รางวัลว่าเจ้าหญิงองค์นี้กระตุ้นให้เราระลึกได้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยคืออะไรเพราะองค์มีเป้าหมายมานานแล้วนับกลับไม่ท่วนก่อนที่จะเป็นสุมเมธดาบทที่ พระพุทธเจ้าพนามว่าทีปังกรจะพยากรอีกท่านตั้งใจเอาไว้แล้วว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตถ่านับไปแล้วจากกลับนี้ก็ย้อนไปเท่าไหร่ยี่สิบอสงไข์กระแสนับตอนที่พระพุทธเจ้าทีปังกรพยากรกับสุเมธดาบทเนี่ยสี่อสงไขกระแสนับก็นานมากแล้วนะนี่เมื่อครั้งแรกที่ท่าน คิดว่าเราจะบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระรัชจ้าสักองค์หนึ่งเนี่ยคิดอย่างเดียวเนี่ยเมื่อตอนนั้น20สอสงไขยกับอีกแสนกับคำพูดของพระนางกีสารคตมีเนี่ยกระตุ้นให้ระลึกถึงเป้าหมายที่พระองค์ตั้งไว้ตั้งแต่20อสงไขยกับแสนกับนั้นว่าเราจะต้องทำจิตของตัวเองให้มีคุณภาพที่จะเห็นนิพพานคือให้สัมผัสนิพพานให้ได้ คือความพ้นไปจากกิเลสทั้งหลายขอบใจวิธีขอบใจก็คือถอดสร้อยคอเนี่ยให้รางหวั่กับเจ้าหญิงองค์นั้นเจ้าหญิงองค์นั้นเนี่ยคิดอีกแบบหนึ่งสงสัยเจ้าชายสิทธัตถานเนี่ยปิ๊งเราเนี่ยมีความภูมิใจอีกแบบหนึ่งแต่พระองค์เนี่ยคิดอีกแบบหนึ่งว่าขอบคุณคําพูดอันนี้มาเตือนใจเราจากวันนั้นอีกไม่นานท่านก็ออกไปบวช นิพพานนิพพานมันมีหลายแบบบางคนมาอ่านว่านิพพานมีสอุปาที่เสสนิพพานกับอนุปาที่เสสนิพพานก็ได้ยินไหมคิดว่านิพพานมีหลายแบบแต่นิพพานมีนิพพานเดียวก็มันไม่มีอะไรปรุงแต่งแล้วมันจะหาอะไรมาแตกแยกเป็นหลายหลายแบบมันไม่มีการปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งแบบไหนอีกมันหมดทางที่จะแบ่งแล้ว แต่ท้่ท่านแบ่งไว้สองอย่างนั้นน่ะท่านแบ่งตามจิตของบุคคลที่ไปเห็นนิพพานนั้นจิตของบุคคลที่เห็นนิพพานหมายถึงว่าพระอรหันต์นั่นแหละพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรียกว่าสะอุปาทิเสสะยังมีอุปาทิคือคือมีขันห้าจิตที่ยังมีขันห้าอยู่เห็นนิพพานแล้วกับอนุปาทิเสสนิพพาน ทิ้งขันห้าแล้วสองแบบจิตสองแบบที่ไปเห็นเห็นนิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่พูดง่ายๆนะเป็นพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่กับพระอรหันต์ที่มรณภาพแล้วมรณภาพแล้วไม่มีขันห้าแล้วเรียกอย่างนี้ว่าอนุ ป, ปาทิเสสนิพานสมเด็จยาณสังวรพระสังฆราชเรียกตรงนี้ว่าวิญญาณธาต คือไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันไปรวมอยู่กับนิพพานไปแล้วจะเรียกว่าจิตมันก็เรียกยากเรียกวิญญาณธาตุเรียกว่าในโอวาทปาติโมกท่อนแรกเนี่ยเป็นท่อนที่แจกแจงให้เห็นความแตกต่างระหว่างคำสอนของพระองค์กับคำสอนเดิมๆหลักๆเลยเนี่ก็คือพูดถึงเรื่องขันติกับนิพพานแล้วก็พูดถึงว่า นักบวชในศาสนาพุทธเนี่ยเป็นนักบวชที่ไม่มีพิษไม่มีภัยสมโนโหติปรังวิเหธยันโตสมณะในพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่พูดร้ายไม่ทําร้ายไม่เป็นภัยกับใครแต่นักบวชในศาสนาอื่นทําไมถึงพูดตรง น, นี้เพราะนักบวชศาสนาอื่นสอนให้บูชายันบูชายันทําอะไรเอา แพะมาห้าร้อยเอาวัวมาห้าร้อยมาบูชายันพัฒนาไปถึงว่าเอาคนมาบูชายันก็มีแต่ศาสนาพุทธไม่ทำอย่างนั้นไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนอย่าว่าแต่ชีวิตเลยไม่พูดร้ายด้วยอย่าว่าแต่ทำร้ายเลยไม่พูดร้ายด้วยนี่คือลักษณะข้อแตกต่างระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาอื่นจะไม่มีสงครามศาสนาที่อ้างว่าทาเพื่อศาสนาพุทธไม่มี นี่เป็นบทคาถาแรกคาถาที่สองคือสัพป ป, ปาปัสสะากักรนังการไม่ทําบาปทั้งปวงกุสลสูปัสัมปทาทํากุศลให้ถึงพร้อมสะจิตตะปรโยธาปนังการทําจิตให้ขาวรอบอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบาลีเรียกว่าเอตังพุทธานะสาสนังเอตังคืออันเนี้ยพุทธานะสาสนัง พุทธานะเป็นพระหูพจน์ศาสนางไปว่าคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระหูพจน์คือทั้งหลายแปลเป็นไทยแล้วคือทั้งหลายทุกอง์สอนอย่างนี้สอนอะไรสอนสามอย่างเนี่ยไม่ทำบาตทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ข่าวรอบไม่ทำบาตทั้งปวงคืออะไรชื่อว่าบาปไม่ทำหมดบาปมีกี่แบบ ที่ว่าทั้งโปรเนมีกี่แบบรู้ไหมท่านแบ่งบาปเนี่ยจะเรียกอีกอย่างว่าอากุศลก็ได้อกุศลเนมี3มระดับอกุศลระดับแรกคืออกุศลที่ถึงขนาดที่ว่าผิดศีลเป็นอกุศลสิ่งที่เรียกว่าเป็นอกุศลก็คือที่มันเริ่มมาจากจิตโลภจิตโกรธจิตหลงภาษาอภิธรรมก็เรียกว่าอากุศลลมูล มีโทสะเป็นมูลมีโลภะเป็นมูลมีโมหะเป็นมูลแล้วทำให้เราไปทำผิดทางกายทางวาจาและทางใจด้วยอันนี้เป็นขั้นหยาบแล้วเราก็เลยต้องมีเครื่องประคับประคองไม่ให้ทำผิดคือศีลศีลห้าศีลห้าข้อเป็นเครื่องประคับประคองทำให้ผู้สมาทานแล้วเนี่ยไม่ไปทำผิดถึงแม้จะมีอกุศลคือบาป 3อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ทําผิดเพราะว่าเราจะไม่ไปฆ่าใครเราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่ผิดลูกเมียใครรวมถึงไม่ผิดสามีใครแล้วก็ไม่ไปเอาคําพูดตัวเองเนี่ยไปพูดโกหกไปพูดให้ร้ายไปพูดทําให้เขาแตกสา ม, มัคคีกันหรือพูดด่าใครให้เจ็บใจหรือไม่ทําให้คนอื่นเขาเสียเวลาด้วยการพูดเพ้อเจ้อนี่คือมีกิเลสเกิดขึ้นมาในใจมีอกุศลเกิด ข, ขึ้นมาในใจ อย่างยากคือทําให้เราผิดทําผิดทางกายทางวาจานี่คือบาประดับแรกระดับนี้เนี่ยบางคนก็ยังเล่นยากแล้ว <c oughs> บอกรักษาศีลห้ายาก <c oughs> ไม่ให้ฆ่าสัตว์เหลอยาก <c oughs> ไม่ให้ลักทรัพย์เหลยยากอืสังคมเรามันก็เริ่มยากจริงๆนะดูแล้วเนี่ยนะมีโยมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่ามีหลาน หลานเนี่ยไปเรียนเมืองนอกไปเรียนเมืองนอกพอเข้าห้างเกาก็ร้องเพลงเพลงที่ครูเมืองนอกก็สอนเนี I'm the last of the line เขาร้องเพลงนะไม่รู้ทำนองเป็นยังไงใครร้องเป็นบ้างฉันเป็นคนสุดท้ายของแถวก็คือจะไปหาจุดสุดท้ายเพื่อไปต่อแถวเข้าใจไหม I'm the last of the line ฉันจะไปต่อแถวท้ายแถวอยู่ไหนฉันจะไปต่อตรงนั้นนะ เขาร้องเสร็จร้องอยู่สองสามรอบแล้วก็แม่แถวมันอยู่ไหนเมืองไทยไม่มีแถวแม่ก็อะไรลูกแถวอยู่ไหนมาถึงยังไงพูดไทยบ้างพูดอังกฤษบ้างนะเด็กนะ I'm the last of the line แล้วฉันจะไปต่อแถวท้ายแถวมันอยู่ไหนมาเมืองไทยหาท้ายแถวไม่เจอรู้สึกมันแตกปลายไปหมดเลยเราเราลืม อบรมคนในในเมืองไทยอบรมคนของเราให้มันมีมีคุณภาพเพื่อจะเป็นสมาชิกของสังคมที่ดีลืมนะลืมเราไปเอาอย่างเขาในแง่วัตถุเขามีวัตถุอะไรรุ่นใหม่อะไรออกมาเราจะบริโภคได้เราพร้อมที่จะบริโภคและรอที่จะบริโภคด้วยเรารอไหมไปเข้าคิวซื้อโทรศัพท์มีัหมเรารอนะ เมื่อไหร่มันจะออกใหม่รุ่นใหม่รุ่นหลายรุ่นแล้วข่าวข่าวมานี่คือมีคนไปรอเพื่อจะซื้อใช่ไหมเรารอที่จะบริโภคแต่เราไม่มีการกระตุ้นเพื่อจะให้เกิดเป็นจิตแบบนักผลิตเพื่อไปขายเขาหรือเพื่อใช้เองแล้วก็ไม่มีจิตสํานึกที่จะสร้างคุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดีในสังคมเราสอนกันลักษณะว่า มือใครยาวสาวได้สาวเอามันก็เลยทําให้เด็กหาท้ายแถวไม่เจอการแซงคิวก็เป็นอตินนาธานแบบหนึ่งเหมือนกันนะใช่ไหมเราไม่รักษาศีลกันด้วยการด้วยการแซงคิวเหมือนกันนะมันเป็นลำดับที่เขาควรจะได้เราไปทําให้ลำดับเขาเปลี่ยนไปเขาควรจะลำดับที่ห้าอย่างเงี้ยเราไปแทรกเขา ลำดับที่ห้าของเขาถูกขโมยไปแล้วจากการที่เราไปแทรกตรงนั้นเป็นอธินนาทานอีกแบบหนึง่งรถรอจะจ่ายตังเข้าเข้าช่องจ่ายตังทางด่วนมีการแทรกอันนั้นก็ขโมยลำดับของเขาเหมือนกันเป็นการผิดศีลข้อไหนข้อสองใช่ไหมมันถ้าเรา ไม่แค่สมาทานนะถ้าเราไม่แค่สมาทานแล้วเอาการรักษาศีลให้มันเคร่งครัดมากขึ้นเนี่ยนะสังคมไทยจะน่าอยู่มากขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็ไม่วุ่นวายตอนนี้เหมือนวุ่นวายที่ว่าไอ้คนข้างหลังก็ไม่ยอมไอ้คนข้างหลังเวลาเจอเวลาขับรถเวลาเจอไฟเหลืองโยมจะทํำยังไง ไฟเหลืองเนี่ยนะมันเป็นไฟเตือนให้ว่าเตรียมหยุดใช่ไมืมโดยตามกฎจราจรนแต่เมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะใครเตรียมหยุดเนี่ยถูกคันหลังบีบแต่ไล่ด้วยใช่ไหม <laughs> เคยถูกบีบไล่ไหมหรือเคยไล่คนอื่นหรือเปล่า <laughs> มันเป็นอย่างนี้นะสังคมมันเป็นอย่างนี้มีคนที่เข้าไปมาเลเซีย เวลาจะขอทางกันหรือทําอะไรแบบขับรถแล้วแบบมันอาจจะทําให้คนอื่นเขาตกใจหรือผิดพลาดเนี่ยนะหรือขอขอเลี้ยวก่อนอะไรเงี้ยนะแค่ยกมืออย่างงี้ยกมืออย่างนี้นะขอขออย่างนี้นะเขาก็ยกมือตอบเนี่ยคือให้แค่แค่ยกมือบอกว่าตัวเองได้ผิดยอมยกมือนะขอโทษประมาณว่าขอโทษแล้วอีกฝ่ายหนึ่งยกมือตอบว่าให้อภัย เงี้ยใช้ได้นี่เป็นวิธีเป็นเรียกว่าฮะในในเฉพาะถิน่นเป็นวิธีเฉพาะถิน่นในอินเดียใช้บีบแตร <c oughs> ใครเคยไปอินเดียมั้งให้บีบแตร ى. บีบแตรแล้วโอเคถือว่าบอกกล่าวกันแล้วนะบอกกล่าวกันแล้วเขาเขียนไว้ท้ายรถเลยนะฮอนพีซฮอนคือบีบแตร ى. ช่วยบีบแตรบอกเขาด้วยว่าตัวเองมาแล้ว แล้วคนอินเดียนะใช้วิธีบีบตาจนลั่นไปหมดเลยใครเคยไปไหมบีบแต่กันลั่นถนนเลยแล้วถึงแม้ว่าเขาจะดูเหมือนจะไม่ค่อยรักษาไม่ค่อยมีกฎจราจรเนี่ยนะแต่เขาให้ความเคารพคนคนเดินมาเนี่ยจะไม่มีไม่มีอุบัติเหตุที่เรียกว่ารถพุ่งชนทำให้คนตายนานๆจริงะมีสักทีนึง คนที่ถูกชนเนี่ยคือคนเงอะเงะงะงะจะไปก็ไม่ไปจะถอยก็ไม่ถอยคนอินเดียเนี่ยถ้าเดินแล้วเดินหน้าให้เดินไปเรื่อยๆรถเขาจะกะระยะเองจะเฉียวก้นพอดีเฉียวก้นพอดี <laughs> <laughs> เดินไปเนี่ยนะเดินไปเนี่ยอย่าหยุดชะงักจงเดินหน้าเป้าหมายมีไว้ <laughs> ไปให้ถึง <laughs> อย่าถอยหลังนี่นะอินเดียเขาอย่างนี้นะ <laughs> เป้าหมายมีข้างหน้าแล้วเดินไปให้ถึงอย่าถอยหลัง แล้วรถจะระวังท่านเองรถจะรู้ว่าท่านเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่อัตราเท่าไหร่แล้วเขาจะเดินทางไปถึงตรงนั้นเฉี่ยวก้นพอดี <c oughs> ไม่ชนฟุ๊บหวาดเสียวเล่นนิดหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยแต่คนอิเดียรู้กันแต่มึงไทยไม่ได้มองไทยถ้ามีกฎระเบียบอะไรก็ควรจะระวังรักษาควรจะดูแลผู้ผู้น้อยในท้องถนน ขับรถใหญ่ก็ควรดูแลรถเล็กขับรถเล็กก็ควรดูแลรถมอเตอร์ไซค์ดูแลรถจักรยานยนต์ดูแลรถจักรยานดูแลคนที่เดินทางเทา้าคุเดินข้ามถนนในลาวในลาวนะเขบอกว่าไม่ต้องกลัวคุณจะเดินฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของถนนก็ตามคุณไม่ต้องกลัวว่ารถจะชนรถจะระวังคุณ ในลาวนะคนก็บอกนองนั้นนะว่าคุณไม่ต้องกลัวเลยว่ารถเนี่ยจะไปเฉี่ยวคุณเขาจะสั่งสอนกันมาว่าถ้าคุณเป็นใหญ่ต้องดูแลผู้น้อยคุณเป็นผู้ใหญ่ในรถคือรถคันใหญ่คุณเป็นผู้ใหญ่ในท้องถนนคุณต้องดูแลผู้ที่เล็กกว่าขับสิบล้อต้องระวังดูแลรถเกง๋งขับรถเก๋งต้องดูแลระวังรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยาน ขับรถจักรยานรถเกง๋งต้องดูแลคนที่ไม่มีรถคนที่เดินเท้าของเราเป็นไงปืนน้ำ ก, กระจายศาสตร์ใครบ้างก็สะใจด้วยซ้ำไปมีพระมีพระมาสารภาพบินทบาดกลับมานี่จีวรมอมแมมไปหมดเลยเป็นไงทําทไมถึงเป็นอย่างนี้ท่านรถสิบล้อมันพอถึงหลุมเนี่ยนะมันจะเร่งบื้น เพื่อที่จะให้น้ำกระจายแล้วก็มาโดนท่านอ้าวโห้น่าสงสารมากไม่เป็นไรเป็นกรรมของผมเองตอนผมขับสิบลอ้อก่อนบวชเนี่ยผมก็ทำอย่างนี้เจอผู้หญิงแต่งตัวสวยๆนะมันไส้โยมระวังนะ <c oughs> เจอผู้หญิงแต่งตัวสวยๆนะ้ำมันไส้บื้นเข้าไปเลยนะให้มันกระจายไปสักสะใจใครเคยโดนไหม แล้วอันนั้นนะ่ก็มาโดนตอนท่านมาบวชบวชแล้วเดินผ่านหลุมน้ำนะมันจะโดนน้ำก็สาดมาเปรอะท่านอยู่เรื่อยเรียกว่าเป็นเรื่องของวิบาก mm hmm. วิบาก mm hmm. พูดถึงเรื่องอะไรเนะี mm ่ย hmm. ถึงข้อไหนแล้วเนี่ย <laughs> กลับมาถึงว่าสัพพะปาปัสะาะกระนังใช่ไหม mm hmm. บาปหรือว่าอากุศลทั้งหลายเนะี่ยแบ่งเป็นสามอย่างสามระดับ mm hmm. ระดับแรกคือ มีผลทำให้เราไปทำผิดทางกายทางวาจาซึ่งเนื่องมาจากทางใจอีกบาปหนึ่งเป็นระดับที่สองเป็นความคิดร้ายอยู่ในใจแต่ไม่แสดงออกทางกายวาจามีไหมคิดเนี่ยแต่ไม่พูดแต่ไม่ทำด้วยเป็นความคิดที่เป็นเป็นอกุศลเกิดขึ้นมาเป็นอกุศลที่ถ้าไม่มีสติเข้าไปจับแล้วล่ะ มันก็จะแสดงออกมาแล้วทางกายและทางวาจาครูคบาาจารย์จึงบอกว่าถ้ามีคนที่มีเจโตถ้าทุกคนเป็นเจโตนะถ้าทุกคนมีเจโตนะจะไม่ครบกันเลยเพราะแต่ละคนนะี่คิดร้ายกันทั้งนั้นเลยคิดร้ายกันมากแต่มันไม่แสดงออกเพราะว่ามีมีคุณธรรมกฎเอาไว้ เราจะไม่ผิดศีลเราจะไม่พูดร้ายจะไม่ทําร้า ย, เร า, เ, ยเราจะไม่ขโมยเราจะไม่ฆ่าเราจะไม่ด่าเราจะไม่พูดปดแต่มันมีอกุศลเกิดขึ้นในใจพร้อมอยู่เสมอถ้าเมื่อไหร่กาลังของกุศลนั้นตกไปนะก็ทำผิดศีลขึ้นมาเลยอันนี้เรียกว่าเป็นอกุศลระดับที่2 อ, อกุศลระดับแรกเนี่ยแรงพอที่จะทให้เราทาผิดทางกายทางวาจาอันเนื่องมาจากผิดทางใจไปแล้ว อักุศลระดับที่สองคือเป็นอักุศลที่มีกำลังไม่พอมีกำลังไม่พอที่จะจะทำให้เราทำผิด